ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรื่องราวมากมายที่ประสานสัมพันธ์ถักทอไว้ด้วยกันดังนั้นนิทานจึงสามารถสื่อความจริงของชีวิตได้ดีกว่าทรษฎีหรือปรัชญาล้วนๆคนเราจรึงชอบฟังนิทานเรื่องเล่าต่างๆในหนังสือเล่ม น, นี้อาตมาได้ยินได้ฟัง ได้ประสบมาในระยะเวลากว่า30ปีที่อาตมาบวชเป็นพระสายวัดป่าในนิกายเถรวาดเป็นเวลากว่าหลายศตวรรษแล้วที่พุทธศาสนานิกายเถรวาดเป็นศาสนาหลักประจำชาติของไทยพมา่าศรีลังกาขเขมรและลาวปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเถรวาดนี้ได้อย่างราก และเจริญเติบโตในดินแดนตะวันตกรวมทั้งประเทศออสเตรเลียซึ่งน่าจะนับว่าเป็นดินแดนทางใต้มากกว่าผู้คนมักจะถามอาตมาอยู่บ่อยๆว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างพุทธศาสนานิกายหลักต่างๆเทรวาตมหายานวัชรยานและเซ็น คำตอบคือนิกายต่างๆก็เหมือนกับขนมเค้กชนิดเดียวกันแต่เคลือบด้วยน้ำตาลไอซิ่งต่างชนิดกันเท่านั้นจากภายนอกอาจจะดูเหมือนว่ามีลักษณะและรสชาติต่างกันแต่เมื่อกัดลงไปเต็มคำแล้วเราจะพบรสชาติเดียวกันรสชาติแห่งความเป็นอิสระเมื่อเริ่มต้น ก็มีพุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อประมาณ 2,600 ปีมาแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนเฉพาะภิกษุพิสุนีเท่านั้นหากทรงสั่งสอนสามัญชนอีกหลายๆพันคนด้วยตั้งแต่ชาวนาคนกวาดถนนหรือแม้แต่โสเภณี พระปัญญาของพระพุทธองค์มีได้บังเกิดขึ้นเพราะการดนบรันรดาลจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหากเกิดจากความทะลุผุปโปรง่งในความเป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระหฤทยัย อันเปิดกว้างต่อความจริงด้วยพลังจากการภาวนาอย่างลึกซึ้งดังพุทธพจน์ที่คุณหูว่าเราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นหมายเหตุ พระพุทธพจน์นี้มาจากสังยุตตนิกายสขาทวักเทวบุตรสังยุตเป็นการแปลของอาตมาเองพระธรรมคำสั่งสอนหลักของพระพุทธองค์คืออริยสัจสี่ซึ่งอาตมาขอจัดลำดับใหม่ จากที่เป็นอยู่ดังนี้ 1. สุข 2. เหตุให้เกิดสุข 3. ความขาดสุข 4. เหตุให้เกิดภาวะขาดสุขเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่ม น, นี้เกี่ยวกับข้อที่สองคือเหตุให้เกิดสุขเป็นหลัก พระพุทธองค์มักท่งสอนด้วยเรื่องราวต่างๆท่านอาจารย์ของอาตมาหลวงพ่อชาแห่งภาคอีสานของประเทศไทยก็ได้ใช้เรื่องราวต่างๆในการสอนเช่นกันหลังจากได้ฟังหลวงพ่อบัญยายรมสิ่งที่อาตมาจดจาได้มากที่สุดก็คือเรื่องราวต่างๆที่ท่านเล่าโดยเฉพาะเรื่องตลกไม่ใช่เพียงแค่จำได้ง่ายเท่านั้น หากเรื่องราวเหล่านี้ยังสื่อคำที่แน่ที่ลึกซึ้งยิ่งสำหรับทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเรื่องราวนั้นจึงนับได้ว่าเป็นธรรมทูตอาตมาเองก็ได้ใช้เรื่องราวต่างๆรวมทั้งนิทานสอนพุทธศาสนาและการปฏิบัติภาวนาในประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์และมาเลเซียมากว่า20ปีแล้วและอาตมา ได้นำเสนอเรื่องราวที่อาตมาชอบมากที่สุดบางส่วนไว้ในหนังสือเล่มนี้เพราะเรื่องราวนิทานมีไว้สำหรับสื่อความหมายด้วยตัวของมันเองอาตมาจึงใส่คำอธิบายเพิ่มเติมไม่น้อยเรื่องราวแต่ละเรื่องสื่อความหมายหลายระดับดังนั้นยิ่งผู้อ่านอ่านมากเท่าไหร่ความจริงก็จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้น ขอให้ท่านทั้งหลายสนุกกับการอ่านเรื่องราวแห่งความสุขที่แท้จริงเหล่านี้มากเท่ากับผู้ที่เคยได้ฟังสดๆและขอให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านให้ดีขึ้นเช่นที่มันได้เคยช่วยผู้อื่นมามากมายแล้วอาจารย์พรมเ พ, รพฤษภาคม2547